ทนี้ในสัพพะสูตรเลยนะครับในสัพพะสูตรว่าด้วยละสัพพธรรมทั้งปวงล่วงทุก์ได้ส อ, อสัพพะปริญญาสูตรนะครับ น, นั้นเรียงตามพมา่าของไทยใช้คําว่าสัพพะสูตรนะครับสัพพะปริญญาสูตรนะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัดแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพิกษุไม่รู้ยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งทั้งปวงนะครับอาณนะพิชานังนะไม่รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะั้นะไม่กําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้นั้นไม่ทําปริญญาเลยนะอะปริชานังนะครับไม่กําหนดรู้และไม่ยังจิตให้คลายกําหนับ ในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและที่ควรกําหนดรู้นั้นยังละกิเลสวัดไม่ได้เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะครับสรุปก็คือว่าถ้าไม่รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ไม่ยังจิตให้คลายกําหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและที่ควรกําหนดรู้นั้นเนี่ยนะยังละกิเลสวัดไม่ได้เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุก หมายความว่าเป็นไม่คู่ควรกับการบรรลุมรรคผลนิพพา น, า น, นเหมือนกันเถอะดูความพิสูจนทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ยังจิตให้คลายกําหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะที่ควรกําหนดรู้นั้นละกิเลสวัดได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์เหมงอนกันเถอะถ้าหากว่าไม่ทํากิจอย่างว่าก็ไม่ควรบรรลุเป็นพระอริยเจ้านะ แม่พองศ์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าผู้ใดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามทั้งปวงโดยส่วนทั้งปวงย่อมไม่กำหนัดในสกายะธรรมทั้งปวงผู้นั้นกำหนดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามทั้งปวงแล้วล่วงทุก์ทั้งปวงได้โดยแท้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่น่าประทับใจทําให้เห็นข้อปฏิบัตินะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ คือถ้าใช้คําว่าละละไปเลยเนี่ยนะเราต้องนึกถึงปหาหะต่างๆเนี่ยนะครับถ้าจําเรื่องปหาหะเป็นต้นไม่ได้ไอ้คําว่าละเป็นต้นก็เข้าใจยากแต่ว่าสูตรนี้ก็พูดถึงว่าอภิชาณังรู้ยิ่งนะครับแล้วก็ปริญญาใช่ไหมครับปริชาณังเนี่ยนะครับเรารู้รอบรอบรู้เนี่ยนะครับอันนี้ไปก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติซึ่งในะอันตถกถาก็ขยายไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับบทว่าสับพังคือไม่มีเหลือใช่ไหมครับ ทั้งปวงอ่ะนะบอกว่าสัพเพะเนี่ยแปลว่าทั้งปวงเนี่ยแปลว่าไม่มีเหลือเลยสัพเพะสับนี้บอกถึงสิ่งที่ไม่มีเหลือนะครับโดยปกตินะถ้าใช้คําว่าทั้งปวงเนี่ยก็แสดงว่าหมดสิ้นอ่ะนะสัพเพะสับนั้นแสดงถึงความไม่มีเหลือของความทั้งหมดนะคนะคือคือว่าพูดทุกสิ่งเลยเช่นรูปทั้งหมดนะครับเวทนาทั้งหมดและทำในและธรรมะอันเนื่องด้วยสักกายะทั้งหมดนะครับ คือพูดเอาธรรมะทุกทั้งหมดเลยไม่ให้เหลือเลยนะอย่างนี้เรใช้คำว่า ส, รรพพสรรับพาพท์แปลว่าทั้งปวงอะนะเช่นสัพเพธรรมานาตาเนี่ยทำทั้งปวงเป็นานาตาอย่างนี้นะครับอันหนึ่งสัพพาสั์นี่มีอยู่2 อ, อย่างนะไอ้ทั้งปวงทั้งปวงนี่มีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับคือ 1. นสัรพเปเทศวิสัยมีบางส่วน2ก็นิปเปเทสวิสัยก็แบบสิ้นเชิงก็อบอกว่าพูดมีส่วนเหลือกับพูดไม่มี ส่วนเหลือนะครับพูดแบบมีส่วนเหลือกับไม่มีส่วนเหลือจริงดังนั้นสัพพะสัพนี้มีข้อที่เห็นได้ในวิสัยสี่อย่างนะครับดูได้จากอารมณ์ทั้ง4ประการเนี่ยนะคือ1สัพพสัพพวิสัยทั้งหมดโดยสิ้นเชิง น, นะไม่มีเหลือแม้แต่ผงเหมือนกันเด้อสองปเทสะสัพพวิสัยก็คือทั้งหมดแต่ว่าเอาบางส่วนนะ สามอายตนะสัพพาวิสัยก็คือทั้งหมดแต่เอาเฉพาะอายตนะอย่างเดียวแล้วก็สีสักกายสัพพาวิสัยก็ทั้งหมดเฉพาะสักกายในวิสัยเหล่านั้นวิสัยอันมาแล้วในสัพพาวิสัยเหมือนในพระบาลีว่าธรรมะทั้งปวงมาสู่พยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพุทธาโดยสิ้นเชิงอันนี้หมายถึงว่าสรรพสิ่งทุกสิ่งเลยว่างั้นเถอะไม่มีอะไรที่พระองค์ ไม่รู้ว่างั้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเหล่านั้ น, น, นเรียกว่าสัพพสัพพวิสัยนะครับทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเลยว่างั้นเถิดหรือว่าถ้ามาในสัพพ ะ, ะเทศาวิสัยก็ดังในพระพุทธพจน์มียที่ว่าดูก่อนสารีบุตรเราได้กล่าวแล้วเป็นบางส่วนแก่พวกเธอเนี่ยนะ ค, คือไม่ใช่สิ้นเชิงนะเอาแค่บางส่วนเท่านั้นเอง หรือมาในอายตนะสัพพาวิสัยดังในพุทธพจน์เมียที่ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงจักรสุและรูปจนถึงว่าใจและธรรมารมณ์ทั้งหมดแก่พวกเธอนะครับแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นอายตนะหรือว่ามาในสักกายสัพพาวิสัยดังในพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะบางส่วนอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวง เรียกว่าอะไรนะในมูลปริยัจศูนใช่ัหมครับอันนี้ก็คื อ, อบางส่วนนะเอาเฉพาะที่เป็นส ก, กายะธรรมนะครับคำว่าส ก, กายะธรรมก็หมายถึงธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามนะครับสัพพะสัพอันมาในสัพพะสัพะวิสัยนั้นชื่อว่านิปเทสะแปล ว, ว่าสับสิ้นเชิงเลยไม่มีเหลือเลยนะครับนะ ส่วนมาใน3มอย่างนี้ชื่อว่าสัพประเทศะนะครับก็แปลว่าแบบว่ามีส่วนเหลือเหมือนกันเถอะนิพเทศะนี้ไม่มีส่วนเหลือสัพระเทศะนี้มีส่วนเหลือนะครับแต่ในที่นี้เพิ่งทราบว่ามาในส ก, กายะสัพพวิสัยนะครับมาแบบมีส่วนเหลือเหมือนกันเถอะก็บทว่าสัพพังในที่นี้ท่านถือเอาธรรมะเป็นไปในภูมิสอันเป็นอารมณ์แห่งวิปัสนาโดยไม่มีส่วนเหลือ นะครับธรรมะที่เป็นไปในวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับขันธะอายตะนะตัวนี้เท่ากับไม่ได้แสดงโลกุตระนะครับเว้นโลกุตระทั้งหมดออกไปนี้เอาเฉพาะธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามเท่านั้นนะครับในสูตรนี่นะเฉพาะในสูตรนี้เน้นพิเศษคือที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาบทว่าอะนะพิชานังความว่าภิกษุไม่รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ทั้งปวงเนี่ยนะครับคือคือ ธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามทั้งปวงเนี่ยนะถ้าไม่รู้ยิ่งโดยความเป็นจริงไม่วิปริตคือไม่รู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งนะครับคือไม่รู้เลยนะถามว่าถ้ารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งเนี่ยรู้ว่ายังไงคือรู้ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลรู้ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลรู้ว่าธรรมะเหล่านี้มีโทษรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษเนี่ย น, นะ คือลักษณะของของรู้ธรรมะทั้งปวงอ่ะนะหรือว่าในที่สองบอกว่ามีเมียที่ว่านี้เป็นท่าสิบแต้องเรียนรู้ให้หมดนะครับหรือว่านี้ทุกขาริยาศาสตร์นี้ทุกขสมุทัยอริยาศาตร์เนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นต้นนะต้นก็คือพวกขันอายตนาท่าสัจจอินทรีย์ปฏิจจสมุป บ, บาทอาหาร4เป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องรู้ยิ่งให้หมดนะครับรู้ด้วยปัญญาอย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้ด้วย สุตะก่อนก็ก็ยังดีทีนี้ต่อไปนะครับบทว่าอาริชานังได้แก่ไม่กำหนดรู้จริงอยู่ผู้ใดกำหนดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามทั้งหมดผู้นั้นย่อมรู้ด้วยปริญญาสามลักษณะของคนที่กำหนดรู้นะ อ, อขอกราบครับที่ว่ากำหนดรู้ ความเป็นไปในภูมิ3ามนี่กำหนดยังไงและภูมิ3ามนี่คืออะไรครับคำว่ากําหนดรู้จะได้อธิบายต่อไปนะครับแต่คําว่าธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ามก็คือการมาภูมิรูปภูมิและอรูปภูมินั่นเองนะครับขนันยศันธ์ธาตุอริยะตนะที่เป็นไปในการมาภูมิขันธ์าตุอริยะตนะที่เป็นไปในรูปภูมิขนันธ์าตุอริยะตนะที่เป็นไปในอรูปภูมินะครับสิ่งเหล่านี้ต้องกําหนดรู้นะครับ ถ้าไม่กำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ยังจิตให้คลายกำหนับในสิ่งเหล่านี้นะครับละกิเลสวัดในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ไม่ควรแก่การตรัสรู้หรือไม่ควรที่จะสิ้นทุกขนะครับนันะเอออย่างอย่างเราอยู่ในกรรมภูมินี้เราก็กำหนดรู้กรมภูมิผู้ที่อยู่ในอยู่ในรูปภูมิก็กำหนดรู้รูปภูมิผู้ที่อยู่ในรูปภูมิกำหนดรู้ในรูปภูมิอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าเอาในในลักษณะนี้นะครับผู้ที่อยู่ในการมภูมิบุคคลเนี่ย น, นะครับถ้าหากว่าได้ฌานได้ฌานได้รูปฌานก็ต้องพิจารณากําหนดรู้ในรูปรภูมิด้วยนะครับถ้าได้อรูปฌานก็ต้องเท่ากับพิจารณาอารูปภูมิด้วยเพราะว่าอารูปภูมินั้นเป็นผลของอารูปฌานรูปรภูมิก็เป็นผลของรูปฌานการมภูมิก็เป็นผลขอ ง, ของหมหากรุสหรืออกุศลทั้งหลายแหลนั่นเอง ถามว่าจะรู้ได้ยังไงครับพองตัดว่าผู้ที่กําหนดรู้มโนสันเจตนาหารกําหนดรู้เรื่องเจตนาดีเท่ากับกําหนดรู้ภูมิสาได้นะครับเขาเอาที่หลักนะครับเหตุที่เป็นไปเพื่อเป็นไปในภูมิ3ามคืออะไรคือเจตนาเพราะฉะนั้นคําว่าพบหรือคําว่าภูมิทั้งหลายก็เอาเจตนาเป็นหลักก่อนเจตนาที่เป็นเหตุปฏิสนธิในในภูมิต่ตางๆนะครับก็ก็กําหนดในลักษณะนั้น น, นนะ ซึ่งก็กําหนดตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะว่าสังขารบางอย่างเป็นไปให้ปฏิสนธิในกามภูมินะครับปฏิสนธิวิญญาณหลงในกามภูมิวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาเป็นต้นก็นในกามภูมิสังขารบางอย่างเป็นเจตนาที่เป็นไปในรูปประภูมิก็ทําให้ปฏิสนธิในในรูปประภูมินะครับวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาประเภทรูปประภูมิสังขารบางอย่างนะครับก็ทําให้ปฏิสนธิใน อรม ป, ปรภูมนะิวิญญาณ น, นามสลายตนะภนัปษาเวทนาที่มีอยู่ในอโรม ป, ปรภูมินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เพ่งเรื่องเจตนากรรมที่เป็นเหตุปฏิสนธิในภูมิทั้งหลายได้ก็จะสา ม, มารถสาวเรื่องภูมิทั้งสามได้นะครับคือไม่ใช่คาว่ากำหนดรู้ไม่ใช่ตามไปดูนะครับไม่ใช่ตามไปดูแบบไปลืมตามมองเห็นแต่อานุภาพของยาเนี่ยอย่างถึงนะครับอย่างถึง คำว่ายัางถึงเพื่ออะไรครับยังถึงเพื่อให้เห็นความไม่ไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นนะครับให้เห็นถึงความเป็นทุกข์ของสิ่งเหล่านั้นให้เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านั้นนะครับเพ อ, อถ้าหากว่าผู้ที่ออยังเป็นพระนิ่ทำมณภาพไปได้ไปเกิดในรูปภูมินี่ยังจะเดินนิพพานาต่อในรูปภูมิได้ไหมอ่าไม่เคยพบนะครับว่าเพราะว่า ถ้าเจริญได้น่าจะเจริญได้นะคือถ้าเป็นพระร r ยะบุคคลก่อนหน้านี้เพราะว่าโสดาปฏิมักจะไม่เกิดในอารมูปภูมินะครับเพราะว่าพระปัเจกับพรุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดที่นั่นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุเองก็ต้องเป็นพระปัจเจกับพพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปไม่สา ม, มารถที่จะบรรลุใน บรรลุโซดาปฏิมักในอรูปภพภูมิได้นะครับแต่มักที่เหลือสามารถบรรลุได้หมายถึงถ้าระยะสาวกที่เป็นพระโซดาบัณแล้วไปปฏิสนธิที่อรูปภพภูมิก็เจริญวิปัสสนาต่อไปแล้วก็บรรลุมรคนิพานได้นะครับแต่ถ้าปุถุชนเลยเนี่ยนะครับไปเจริญวิปัสสนาที่นั่นไปเอาคําสอนที่ไหนครับไปปฏิบัติตามนะไปเรียนรู้คําสอนที่ไหนจะไปเจริญวิปัสสนาอะไรได้นะครับ เพราะฉะนั้นอาการเจริญวิปัสนาแบบสาวกทั้งหลายเนื่องด้วยการฟังเป็นหลักนะครับฉันใช้คําว่าสาวกน่าจะตรงตัวนะครับเพราะว่าเป็นเป็นผู้ฟังนะครับทีนี้มาดูคําว่าทำปริญญาทำปริญญานะครับจริงอยู่ผู้ใดกําหนดรู้รู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3ผู้นั้นย่อมรู้ด้วยปริญญา3คือด้วยยาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้นะครับ หรือบางแห่งก็บอกว่ารู้ในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วนะยาตะตัวนั้นว่ารู้อยู่แล้วนะนะรอบรู้ในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วนะเรียกว่ายาตะปริญญาทัาตีระณะปริญญาก็คือรอบรู้ด้วยการพิจารณาหรือการใข้ครวญส่วนปะหานะปริญญาก็คือกาหนดรู้ด้วยการละด้วยการละออกไปแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมพิ่สดานว่า ในปริญญาสามนั้นยาตะปริญญาเนี่ยเป็นช่นไหนพิสูจน์กหนดรูปหรือกำหนดรูป น, นามอันเป็นไปในภูมิสามทั้งหมดคือรูปมีประเภทเป็นต้นว่าภูตรูปและภาษาทรูปนามมีประเภทเป็นต้นว่าภาษะว่านี้รูปรูปมีเท่านี้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีนี้นามนามมีเท่านี้นะครับยิ่งไปจากนี้ ไม่มีนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านแสดงไว้ในวิสุทธิมัติชัดเจนนะครับอ่าก็คือกำหนดรู้สิ่งเหล่านั้นโดยลักษณะรักษะปจุปฐานและปะทัทฐานเนีย่ยนะครับและกำหนดปัจจัยของนามรูปนั้นมีกรรมและอวิชชาเป็นต้นนี้ชื่อว่ายาตปริญญาอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่าง สักตัวอย่างนึ่งอย่างเช่นรูปนี้รูปหรือว่ารูปมีเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าในเบื้องต้นนะพูดถ้าเอาแนวทางของพิจารณารูปประขันนะครับอ่านะขันนี่มี5ใช่ไหมครับขันที่เป็นรูปมี1คือรูปประขันนะครับขันที่เป็นนามนี่มี4ี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันในบรรดาขันที่เป็นรูปเนี่ยนะครับ ประกอบไปด้วยอะไรครับภูตรูปและรูปที่อาศัยก็คือมหาพูทนะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องรูปปัจขันเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยพระองค์ใช้คําว่ามหาพูทและรูปที่อาศัยมหาพูทธมันให้จับมหาพูทเป็นหลักคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุสีของสีทั้งหลายก็คือสีของมหาพูท น, นั่นแหละนั่นแหละเรียกว่ารูปารมณ์ เสียงก็อาศัยมหาพูดกระทบกันนั่นแหละเรียกว่าสัทธารลมกลิ่นก็คือกลิ่นของมหาพูดนั่นแหละเรียกว่าคันธารลมรสก็รสของมหาพูดนั่นแหละเรียกว่าระสารมถ้ามหาพูดอันนี้เนี่ยนะที่ประกอบด้วยรูปอาศัยที่กล่าวไปแล้วถ้ามีกรรมเป็นสมุฐานมีชีวิตเกิดร่วมด้วยจะมีชีวิตอาศัยอันนั้นแหละเกิดอาศัยมหาพูดนั่นแห ล, Ge ละเกิดเพราะรูปที่เหลือมันเข้าไปอาศัยมหาพูดเท่านั้นเองนะครับ ทั้ตัวหลักจริงๆคือมหาพูดเท่านั้นนะแต่ว่าสีของมหาพูดกลิ่นของมหาพูดรสของมหาพูดโอชาของมหาพูดถ้ามหาพูดนั้นมีกรรมเป็นสมุฐานมีชีวิตเกิดร่วมด้วยนะครับ mm hmm. ชีวิตเป็นตัวอนุบาลก็ชีวิตนั้นอนุบาลอะไรก็อนุบาลมหาพูดนั่นเองให้รู้ว่าเออชีวิตนี้เกิดจากกรรมนะมาอนุบาลรูปนั้นไว้ mm hmm. ถ้าความใสของมหาพูดนั้นเรียกว่าจักขุปสาทะเนี่ยนะ ความใสบางอย่างของมหาพูดที่สามารถรับภาพได้เรียกว่าจากักรูปภาษาทะความใสของมหาพูดบางอย่างที่รับเสียงได้เรียกว่าโสตภาษาทะความใสของมหาพูด น, นั้นแหละครับที่มีกรรมเป็นปัจจัยอะสามารถรับกลิ่นได้เรียกว่าขน า, านาภาษาทะความใสของมหาพูดที่มีกรรมนั่นแหละครับเป็นปัจจัยอะนะ<ๆ>ความใสอันนั้นก็รับรสได้เรียกว่าชิวหาภาษาทะ ความใสของมหาพูดอนนั้นที่สา ม, มารถรับกระทบโพธพะได้ความใสนั้นเรียกว่ากายกายะภาษาธาตุก็มาแบ่งอยู่คนละกล่าบว่าภาษาธาตรูปเหล่านี้ไม่เกิดปะปนกันก็เรียกแบ่งเป็นเรียกกลุ่มรูปไปกลุ่มรูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือว่ากายไปทีนี้กลุ่มรูปบางอย่างเนี่ยมหาพูดบางอย่างมีหัตยะเกิดร่วมด้วยเป็นต้นเนี่ยนะครับมีกรรมเป็นปัจจยัยเป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่เหลือเรียกว่าหัตยะ เนยนะครับถ้าหากว่ากรรมบางอย่างของผู้ที่ยินดีในชายก็จะเกิดเป็นหญิงผู้ที่ยินดีในหญิงก็จะเกิดเป็นเป็นชายนะครับอ่นะตันหาที่ไปยินดีในเพศตรงข้ามนะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ให้เกิดเพศตรงกันข้ามนาั้นถ้ายินดีในชายก็จะเกิดเป็นหญิงถ้ายินดีในหญิงก็จะเกิดเป็นชายเวนไวแต่ว่าชายไปทากาเมใน หญิงมากๆก็เป็นตัจจัยให้เกิดเป็นหญิงเพราะฉะนั้นตันหานั่นแหละเป็นตัวจัดสรรมหาพูดอันนั้นก็เป็นมหาพูดอันนั้นก็เป็นที่อาศัยของภาวะก็เลยเป็นเป็นอิทธิภาวะและปุริสาภาวะเพราะฉะนั้นมหาพูดเป็นหลักนะรูป28ก็จะค่อยๆขยายตัวเป็นลักษณะแบบนี้นี่มันอันนี้แค่ยาตาปริญาเนี่ยมันกว้างขว้างขนาด น, นี้เลยนะครับอ๋ออันนี้เพียงแต่เราเราเๆนะครับเราแค่เริ่มต้นนะครับนี่เริ่มต้นนะครับ แล้วสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่ายังแบ่งเป็นรูปประคันี่เรียกว่ารูปประคัต้องพิจารณาภายในตัวทั้งหมดเลยว่าเออนี่คือรูปทั้งหมดนะคือเป็นการรู้ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะลักษณะของยาตะปริญญาอย่างนี้คนจะเจริญปริญญาเนี่ยมันก็มันต้องเรียนอภิธรรมด้วยหรือยังไงหรือว่าต้องไปเรียนให้หมดเลยหรือยังไงเนี่ยสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเรียนคําสอนของพระองค์คือถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องเรียนก็นี่หมด อ๋อครับหากว่าไม่ต้องเรียนแล้วเข้าใจได้ก็เอาก็ก็เห็นส่วนส่วนมากประมาณสัก 99% ก็มั้งครับก็เห็นไปในลักษณะอย่า ง, ง น, นั้นนะครับไม่เห็นได้ต้องเรียนอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วเคยได้ยินไหมครับว่าเขาเป็นพระโสดาบันอ๋ Gew อก็ไม่ซ้ำกันครับภาษาคาถาคามีพระนาคามีบรรลุกันเกลียวกราวไปหมดเลยนะครับอะไรมันอยากคิดอะไรมากมายนะครับเพราคนสอนเอง ก็บางครั้งก็ผิดศีลผิดธรรมถ้าพิสูจที่สอนวิปั ส, สนาที่ว่าดูเหมือนเก่งๆก็ศึกหาลาเพศไปไม่ร่าเมาแอนหรือปาก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาคนหมู่มากเป็นประมาณไม่ได้มันก็ต้องมาสอบสวนกับพระธรรมคำสอนนะครับแต่นี่ใช่ครับว่าส่วนใหญ่ที่อาจารย์สอนวิปัสนาเราจะเห็นว่าท่านไม่ค่อยรักษาศีลกันอันนี้ชัดเจนนะครับ เพราะว่าวิปัสนาปริญญาพวกนี้นะครับถ้าเทียบตามลําดับนะยาตะปริญญาเนี่ยนะครับได้วิสุทธิสองวิสุทธินะครับคือทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณาวิสุทธินะครับทิฏฐิวิสุทธินั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ครับมีจิตตวิสุทธิจิตตะวิสุทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีศีลวิสุทธินะครับศีลวิสุทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีฮิริโอตะปะเป็นต้นเป็นเหตุใกล้นะครับ มีสุจริญสามเป็นต้นเป็นเหตุใครสุจริญสามก็ยังมีคุณธรรมรองรับล่างๆมาอีกมากมายมหาศาลนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมาเจริญอันนี้ได้เลยทันทีถ้าจะพูดในลำดับของการปฏิบัติแต่นี้เรามาพูดตามลำดับว่าถ้าปริญญาอันนี้เนี่ยข้าเขาเกิดนะเขารู้อะไรบ้างจึงจะเรียกว่ามีปริญญาระดับนี้นะเรียกว่ายาตะปริญญาเขาต้องรอบรู้อะไรจึงจะเรียกว่ายาตะปริญญาแล้วเขาละกกิเลสอะไรได้นะครับ ผมมันกว้างขวาง่างนี้คนฟังนี่ไม่ท้อแท้กันไปไปหมดเลยครับเนี่ยครับถ้าท้อแล้วได้ดีก็บอกบ้างนะครับ <c oughs> ถ้าจะท้อแล้วจะได้สักมรคสองมรค ก, ก็ช่วยสงเคราะห์ผมด้วยนะครับน <c oughs> คือการศึกษาในแนวนี้ทําใจไว้อย่างหนึ่งอย่างที่ผมจะนึกว่าขอเราอย่าได้เสื่อมจากคำสอนนะครับของผู้อื่นเขาจะมีความรู้ความเห็นความนึกคิดยังไงเราไปเอาเขาเป็นประมาณไม่ได้ เข้ามาด้วยบุญของเขานะครับเขามีบุญนะเขาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ชีวิตต่อไปข้างหน้าเขาก็จะไปตามกรรมของเขาไปแต่ที่นี้เราเองก็มาด้วยบุญของเราเหมือนกันถ้าเราไม่เรียบเสา ะ, ะแสวงหาบุญเหล่านี้เราก็น่าสงสารนะครับว่ามาเจอพระธรรมคําสอนแล้วก็ไม่ภาคเพียรเรียนรู้ไว้ก็น่าการุณาแต่ตัวเองก็คิดดูนะครับว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับก็บอกคุณเป็นพระโสดาบันนะกิเลสเท่าเดิมนี่เอาไหมครับ ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยอ่ะนี่สกะธาคามีอนาคามีนะเขาด่าก็ร้องให้เขาชมก็พองเป็นต้นเนี่ยนะโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเป็นไปได้หรอครับนี่ที่ผมพูดเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับทางโลกยังไม่ได้ละเอียดอะไรเลยนะครับทางโลกเขาละเอียดยิบมากหนังสือเขา โ, โหเล่มหลายหมื่นนะครับนาละเอียดมีภาพประกอบเป็นต้นอย่างชัดเจนหมดเลยนะครับเขาจึงประกอบอาชีพได้ของเรานี่แหมโอ้โห เป็นที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ชาวโลกนับถือด้วยซ้ำไปแม้จะไม่รู้อะไรเลยมันก็น่าเกลียดยนั่นเงนะครับมันก็คากำไรเกินไปมังเอาเปรียบสังคมอย่างคอมมิวนิสต์เขาว่างั้นหรืมั้งนะครับพันจะต้องรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าไม่รอบรู้ละกิเลสไม่ได้หรือละที่เรียกว่าส ก, กายะทิฏฐิไม่ได้ เ, เดี๋ยวเขาถามเรื่องพระพระเทรสองรูปที่เป็นเป็นเพื่อนกันนะครับในธรรมบทน น, นะ อ, องค์หนึ่งคือบวชพร้อมกันก็องค์หนึ่งตัดสินใจว่าเออเราค่อนข้างอายุมากแล้วเราก็ดําเนินเดินตามแนวของวิปัสสนาดีกว่าว่าแล้วก็เข้าป่าไปอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าเออเราจะเอาไปยัดดีกว่าทรงพระศาสนาเอาไว้นะครับปรากฏว่านานเข้านั้นเข้ า, นขานเนี่ยพระที่ไปอยู่ในป่านเนี่ยนะก็ทรงลูกศิษย์มากราบพระพระที่ทรงประยัดเนี่ยโยนในในวัดบ้านเนี่ยเป็นระยะระยะไหนก็เลยส่งสัยว่าเอ๊ะ พระองค์นี้เนี่ยไม่เคยได้รำได้เรียนเข้าไปอยู่ป่าแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาในี่ยเขาสอนอะไรกันเนี่ยก็เลยกะว่ามาเมื่อไหร่จะซักให้หงายเก่งไปเลยหรืออะไรทํานองเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นี่จะอธิบายยังไงดีฮะเนี่ยการที่ที่ว่าพระรูปหนึ่งที่แตกฉานปริยัตก็คือท่านเน้นที่ว่าจะทรงพระไตรปิฎกเลยนะครับอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยอย่างน้อยก็ต้องเรียนนะสมัยนั้นเขาเรียนกรรมฐานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องต้นแต่แต่เบื้องต้นถึงอรหัตมรรมแล้วพระองค์ก็รู้อัธยาศัยของเขาเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะอาจจะให้กรรมฐานที่ว่าเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอะไรไปเนี่ยนะครับตามสมควรแก่อัธยาศัยนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ห่างจากสมัยนี้ ของเรามีใครมารู้อัธยาศัยบ้างว่าของเก่ามีอะไรมาบ้างมีอุปนิสัยไหมต้องพิจารณาอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้อันนี้คือความแตกต่างกันอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างไรเสียท่านก็ต้องพิจารณามหาพูทธรูปหรือ uh, ขันห้าหรืออายตนะนั่นเองทีนี้ถ้ารู้จักมหาพูทธรูปไม่รู้จักสีของมหาพูทธรูปเป็นไปได้ไหมครับเนี่ ย, ยนะถ้ารู้แต่เอาเงาี้นะถ้ารู้จักดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างดีเลยนะ ตัวอย่างเช่นผมรู้จักดอกมะลิเนี่ยหนึ่งผมไม่รู้สีของดอกมะลิเป็นไปได้ไหมครับ2ผมไม่รู้กลิ่นของดอกมะลิเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้เพราะต้องรู้สีอย่างน้อยก็รู้กลิ่นแล้วอย่างน้อยรู้ว่าเป็นอาหารได้หรือไม่นะครับอันนั้นก็เช่นถ้าหากว่าเอามาผสมกับใบชาแล้วก็รสชาติของดอกมะลิจะเป็นยังไงก็ต้องอย่างน้อยก็รู้ว่าสีกลิ่นแล้วก็รสเป็นต้นของ ดอกมะลิเนี่ยนะครับดอกมะลิเนี่ยมันจะเหี่ยวจะเช้ายัางไงเป็นต้น น, นะนะถ้าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนั้นเขาจะรอบรู้โดยรอบในสิ่งนั้นนั้นเหมือนกันผู้ที่พิจนารณา ม, มหาภูต ร, รูปก็เหมือนกันแล้วมหาภูต ร, รูปที่ขับเน้นก็เน้นมหาภูต ร, รูปที่อยู่ภายภายในนะครับเช่นมหาภูต ร, รูปคือธาตุดินได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตปอดอไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยนะครับ ก็อยู่ในกายนี้ก็ต้องรอบรู้สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าธาตุดินเพราะสิ่งเหล่านี้นี่มีความแข่นแข็งแล้วก็ถ้ารู้ธาตุน้ําก็น้ําดีน้ํำสเลดน้ําเลือดน้ําน้องน้ํามันข้นน้ําไข่ข้อน้ําตาน้ํามกนะแม้กระทั่งน้ําปัสสาวะเนี่ยนะครับไขมันมันข้นมันเหลวเนี่ยนะก็ต้องรอบรู้นี่เรียกว่าธาตุน้ําแล้วธาตุไฟนะครับธาตุไฟก็คือธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายเนี่ย สุดโซมธาตุไฟที่ช่วยในย่อยอาหารนะครับธาตุไฟที่เกิดขึ้นในคราวเจ็บไข้มันก็ต้องรอบรู้ในเรื่องธาตุไฟเหล่านั้นอีกนะครับแล้วก็ธาตุธาตุลมนะครับลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลมเบื้องตา่าลมในท้องลมในลําไส้ลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็ลมที่พัดทั่วสารพางกายที่ทําให้ยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู่เป็นต้นเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็ต้องรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับอันนะคือสิ่งเหล่านี้ถามว่ามีอยู่แล้วค คือมาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่แล้วเขาจึงเรียกว่ายาตะปริญญาเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าจะรู้นามมาทำต่อไปว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าความใสของมหาภูตรูปบางอย่างเรียกว่าจากักขคูระสาทะหรือตาตานี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเห็นนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจิตที่เหลือนะครับในจกักขคูทวารวิถีก็มีตาเป็นเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ให้นะครับอ่ ความใสของมหาพูดบางอย่างสามารถรับเสียงได้จิตได้ยินเสียงก็อาศัยโสตะโสตะภาษาทะนั้นเกิดขึ้นนะครับความใสของมหาพูดบางอย่างสามารถรับกลิ่นได้เรียกว่าคานะอาจิตเหล่านั้นก็อาศัยคานะเป็นต้นนั่นแหละเกิดนะครับแล้วพระองค์ยังบอกว่าลิ้นเนี่ยนะครับคือความใสของมหาพูดที่สามา ร, รถนะรับรสได้เป็นที่อาศัยเกิดของ เชียวหาวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นใหญ่นะจิตรู้รสเนี่ยจะเกิดที่ลิ้นนะเนกะิดที่นิ้วไม่ได้นะครับเอานิ้วชิมแกงไม่ได้อย่างที่ว่านั่นะนะแล้วก็ถ้าจะยุรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นก็อาศัยกายยะภาษาธาตุนะครับถ้าจะรู้เรื่องราวทั่วไปก็ต้องอาศัยใจอย่างเดียวเ น, นี่ย น, นะทั้นานามธรรมาก็จะเกิดตามทวาร น, นั้นตามสมควรนะครับ